إلا بالتي هي أحسن حتى يبلوا أشدّ، يبلو وأوفو بالله، وأوفو ب ا ل ه العهد ك ن م س ؤ و ل ي و أ و ف ل ك ي إذا تلم و ز ن و ا ل ق ا المستقيم و أ و ف ل ك ي إذا تلم وزنوف القصاص المستقيم. ذلك خير وأحسن تأويل ولا ت م ا ليس لك به علم ولا ت ق ف م ما ليس لك به علم. س م والبصر والفؤاد كل أولئك كل أولئك كان عنه مسؤول كل ل ئ ك كان عنه مسؤول ولا تمشي في الأرض م ر ح ا إنك لن تخرق الأرض، ولن ت ب ل و الجبال طولا، كل ذلك. كل ذلك كان سيئ عند ربك مكره الحمد لله رحمان الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهد الله فلا مضللة وما يضل فلا هادية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم ب ك أصبحنا و ب ك أمسينا و ب ك ن مود و ب ك ن حيا وإليك النشور اللهم أنت ربي لا إله أن إلا أنت قلتني وأنا عبدك وأنا على عهدك و و ع د ك م س ت ط ع ع أبوؤلك ب ن ع م ت ك علي وأبوه بذنبي فغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من شر ما صنعت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ที u u ่น้องที่ร่วมนมาศุบะหรือนมาศพจารศิรักุทันครับอัล hamdulillah ขอบคุณอัลลอฮ์ سبحانه และุต่านะครับที่อัลลอ์ได้ให้เราเนี่ยตื่นขึ้นมานมาสวดรวมกันเป็นจม ا ع ที่มัส jid ของอัลลอฮ์ سبحانه และุต่าลนะนมาเสร็จแล้วเราก็เอานำอกุรอานเนี่ยมามาอ่านมานั่งทบทวนกุรอานนั่นเป็นกิตาบุลลอหเป็นคำพีของอัลลอ์เล่มเดียว ที่หลงเหลืออยู่บนโลกดุนยาใบนี้ที่ยังไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงยังไม่มีการสังขยาณาแบบทำทีของอัลลอฮ์ที่มาจากชั้นฟ้าเหมือนกันแต่ว่าถูกเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วขอบคุณอัลลอฮ์นะครับที่เราอ่านกุรานไม่ใช่อ่านอย่างเดียวนะหาความรู้จากอัลกุรอาน ความรู้จากอัลกุรอานเป็นความรู้ที่สะอาดเพราะว่าไม่มีความคิดของมนุษย์คนหนึ่งคนใดเนี่ยเจือปนอยู่ในคำสอนของอัลกุรอานแม้แต่แม้แต่วัตหนึ่งของมนุษย์ไม่มีเลยนะครับมีทั้งหมดเป็นของอัลลอ์ทั้งหมดแล้วก็ผู้ที่นำเอาอาักุรอานมาจากอ AH ัลลอฮ์นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชต่อนนะมาลากา มาเลย์กาที่ชื่อว่าจิบรีลอะลัยฮิสสลาม์นี่ยไปพูดนำเอามาเอามาให้มามอบให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัววลยยลอฮุวาลลอฮิวะสัลลัมคือการคัมภีร์คุรานทุกอายะห์ในการคัมภีร์านนั้นมีบรารักดมีความจำเริญมากสำหรับคนที่นำเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันแค่อ่านอย่างเดียวก็ได้ผลลบุญน่ย ถ้นำมาเอาไปใช้ด้วยเนี่ยอัลลอฮฺอักบารมันยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับขอบคุณอัลลอฮ์ะนะครับเราทบทวนกุรานมาถึงสูรรที่สิบเจ็ดในกุรานนีมีทั้งหมดหนึ่งร้อยสิบสี่สุรเราเพิ่งมาถึงสุรที่สิบเจ็ดคงจะตายกันก่อนนะนะก่อนจบเล่มคนสอนอนะ ขอสมาตอนละนะครับพ่อจะมีโอกาสได้ทบทวนกุรอานอ่านกุรอานนี่ก็เล่าพี่น้องไม่มีอย่างอื่นเล่าพี่น้องยิ่งอายุเยอะๆด้านนี้นะหนุ่มหมดด้านนี้ก็อันนี้แก่มาทั้งไม่มาอีกคนเนี่ยอายุเยอะๆในพี่น้องเข้าหาอัลลอฮ์อ่านกุรอานทบทวนกุรอานอ่าวันนี้มาดูนะครับสุรที่17ข้อที่33 ความจริงเนี่ยสุรอิอสรเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคําสั่งห้ามนะอ ย, อย่าทำอย่าทำอย่าทำอย่าทำนะครับมีทั้งหมดสิบห้าข้อดูกันที่ว่าอย่าทำอย่าทำอย่าทำนะสิบ้าข้อทั้งหมดเราเรียนกันมาเราอ่านคุณอ่านมาหลายข้อแล้วนะ เ, เดี๋ยวจะสรุปแต่ตอนท้ายก็การบุรสิบห้าข้อนั้นมีอะไรบ้างนะครับเอามาดูอยายะที่สามสิบสามอัลลอฮ์ห้ามอะไร ห้ามไม่ให้มุสลิมทำอะไรหมายถึงห้ามคนทั้งโลกเลยไม่ให้ทำนะอายาที่33มีพูดว่าอยงี้ ولا تقتل نفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتى المظلوم فقد جعلنا لوليه سلبا ว่าฟะลายุสรฟในอัลกัตติ ا ินนุห์แกน ا งซูรอว่าแ ا ل ตกลุ้นนั้ฟซาท ا ل หรบแปลว่าและสูญเจ้าอย่าฆ่าละตกลุ้นแปลว่าอย่าฆ่าอันนัฟซาหมายถึงชีวิต ชีวิตคนนี่แหละครับมันจสัตว์นะสัตว์นี่ฆ่าได้แต่สัตว์นี่ฆ่านี่ต้องนําเอาไปเป็นอาหารถ้าฆ่าแล้วปล่อยทิ้งบาปหรือว่าต้องการจะลองฝีมือว่ายิงนกแม่นไหมแค่แค่โชว์ว่าฉันเก่งนี่อลัลลอฮฺไม่นอนุญาตท่านถ้าจะจะฆ่าสัตว์เนี่ยมันต้องเพื่อนำเอามาเป็นอาหารอย่างเดียว แต่นี้ชีวิตมนุษย์เนี่ยฆ่าไม่ได้วาลาตะตูลุนนับสัลละดีฮะร์มะลออุอิลลัลฮักตท่านทั้งหลายอย่าฆ่านะครับชีวิตหนึ่งชีวิตใดชีวิตที่อัลลอฮ์ทรงห้ามชีวิตของมนุษย์ทั้งหมดนีนเจ็ดพันกว่าล้านเนี่ยอัลลอฮ์ห้ามไม่ให้ฆ่าใครทั้งนั้นแหละฆ่ากันไม่ได้เลยอย่าไปคิด ที่จะฆ่าทำลายคนนี้ฆ่าคนนี้อย่าไปคิดเลยการฆ่านี่เป็นบาปใหญ่มากเลยเนี่ยการฆ่านี่เป็นบาปใหญ่นะครับบาปใหญ่มากเลยแล้วก็วิธีเตาบ้าก็หนักด้วยนะมันต้องฆ่าตายตามใช่ไหนะถึงจะหมดบาปแต่ท่นนี่ยเอาล็อสั่งนะเป็นการฆ่าคนนั้นเป็นการเป็นการทําบาปที่ใหญ่ที่สุด วลาตักตูลนับสันที่ห้าร์ม m a ล l a h u ชีวิตที่อ AH ัลลทรงห้ามห้ามไม่ให้ฆ่าใครทั้งนั้นแลยพี่ น, อนอรร้องอิลลยกเว้นบิลฮัตตีนอกจากความยุติธรรมนอกจากความยุติธรรมความว่าคำ ว, ว่ายุติธรรมเนอธิบายอย่างนี้คือคนที่อัลอิสลามอนุญาตให้ ตัดสินฆ่าได้ไม่ใช่เราเองเป็นคนฆ่านะมันต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมขึ้นศาลนู่นนะนะครับมีอะไรบ้างหนึ่งคนที่ฆ่าคนอื่นโดยเจตนาศาลต้องเป็นผู้ตัดสินอนุมัติให้ฆ่าคนนั้นบัานเรามีเหมือนกันฆ่า แต่ว่าฆ่าในบ้านเราเนี่ยมันฆ่ากันในห้องขังใช่หรือไม่ใช่แต่ในโลกอาหรับเนี่ยประเทศอิสลามเ็าเอาจับมาฆ่ากันในกลางสนามเลยนะให้คนได้เห็นมีอะไรบ้างเช่อนอย่างฆ่ากันเนี่ยเขามาฆ่ากันจริงจริงบกลางกลางสนามคนเห็นแล้วกลัวไปหมดเลยแล้วก็สองอะไรบ้างที่อนุญาตให้ฆ่าได้คนที่ทำศีา คนที่ทำสีนาคนสีนาคนทำสีนาคนหนุ่มกับคนแก่เนี่ยไม่เหมือนกันคนหนุ่มที่ไม่เคยผ่านการแต่งงานมาเนี่ยให้เขียนให้เขี้ยนนะคนหนุ่มหนุ่มที่ไม่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนเนี่ยให้เขี้ยนนะครับร้อยทีโอ้โหแค่เคียนนี่ก็แย่แล้วเห็นภาพนี่หนะอไปหมดแนละ้ว แต่ถ้าหากว่าเป็นการคนที่ทำํำเจนาเป็นคนที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วเนี่ยโอโลนี่ตนต้องฆ่านะ่ะและวิธีฆ่าก็คือให้ฝังครึ่งตัวแล้วก็เอาดินเอาหินเอาขวางในสมัยน บ, บีก็ทํากันสมัยนี้ไม่ค่อยมีใช่ไหมยิงยุโรปเนี่ยอเมริกาเนี่ยขวางเหลือเกินใช่ไหม นี่ยิ่งขวางมากเท่าไหรก็ดีนามันก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นใช่ไหมนะ่ะทัวันนี้ดีนาเต็มไปหมดนะเพราะอะไรเพราะว่ากดมาอิสลามเนี่ยเราไม่ได้นําเอามาใชา้ขอใครจะนําอิสลามมาใชา้เนี่ยโห ล, ล, ลาหลังตาวล้านปีไม่จเจริญก็กดขวงกันตามทั่วโลกอ่ะอกดขวางกันไปก็แล้วกันแล้วก็ดีนามก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นใช่ไหมไม่ใช่บเรานุนดีนาเต็มไหมนี่จะคิด ถ้าจะฆ่ากันจริงตากรทุ้วันเนี่ยขอนาขอนอนขอทุวัตนตลอดมีอยู่ทางเดียวนะถ้าจะไม่ให้คนมุสลิมทําศาสนาต้องเรียนศาสนาเยอะๆเท่านั้นนะอย่างอื่นไม่มีนะครับเอาวันละตักตูนนับสัลละทีฮ์รอมอัลลอฮฺอินลาบิลฮักสู่เจ้าอยากฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดชีวิตที่อ AH ัลลอฮ์ทรงห้ามไม่ให้ฆ่าเว้นแต่ความยุติธรรม คำมายุธิธรรมมีอยู่สามอนุญาตให้ฆ่าได้มีอยู่สามรายการบบนั้นแหละนะหนึ่งผู้ที่ฆ่าคนอื่นโดยเจตนาพวกเราเนี่ยจับแพะเยอะใช่มคนจริงคนนี้เนี่ยมคนฆ่าโอ้โหจับแพะอ่าแพะก็ามาอย่าเอาอย่าเอาต้องเล่นตัวจริงๆเลยนะครับอันที่สองคนที่ทำแอบไปทำเจินาและเป็นคนที่เคย มีสามีภรรยามาแล้วทำศีลนาต้องฆ่านะครับอันที่สามข้อที่สามคนที่อยู่ในอิสลามแล้วออกจากอิสลามไปเนี่ยอยู่ในมุสลิมอยู่แล้วดีอยู่แล้วศาสนาที่อัลลอฮ์พอใจที่สุดนะคืออัอิสลามแล้วก็ทิ้งอิสลามไปแบบนี้ก็มีโทษถูกฆ่าเหมือนกันมีอยสามรายการอินลาบิลฮักก่อนนี่แหละ เว้นแต่ความยุติธรรมอิสลามไม่จะไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้ฆ่ากันง่ายๆแล้วครับถ้าจะฆ่ากันทีเราต้องเรื่องสมเรื่องใหญ่ๆหนึ่งทิ้งอิสลามสองไปทำซีนามาอันที่สไปฆ่าคนอื่นมาเราก็ต้องถูกจับได้แล้วก็ฆ่าไม่ใช่ไม่ใช่ฆ่าไม่ใช่ชาวบ้านฆ่านะต้องขบวนการยุติธรรมเป็นกูจัดการนะครับทั้งหมด3มรายการนั้นต้องขบวนการยุติธรรมทั้งหมดนะ ไม่ใช่พวะเราประชาันเองออกจากสุลาก็พับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ ช, ใช่ต้องขอให้ขบวนการเขาจัดการต่อแต่ a ล l a h สั่งอีกว่ามังผูติละมั่สลูมาและผู้ใดถูกฆ่าโดยอายุติธรรมคือ น, นอกจากสามรายการนี้ใครที่ถูกฆ่านะเป็นไงครับ Allah ห้ามมอบให้ใครฟาก็ดะจะแลนาลิวลีซุลปอนะ Allah เราได้ให้อำนาจนี่ Allah ได้ให้อำนาจแก่ผู้ปกครองของเขามีชายคนหนึ่งถูกฆ่าเพราะถูกฆ่าเสร็จแล้วน่ะผู้ปกครองของเขาซึ่งฝ่ายผู้ถูกฆ่าเนี่ยจะต้องแต่งตั้งขึ้นมาคนหนึ่ง มาเป็นตัวแทนของผู้ที่ถูกค่าโดยอายุติธรรมเนี่ยขึ้นมาเจราจารอ่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งขึ้นมาทางฝ่ายของผู้ที่ถูกค่าเนี่ยไม่ใช่มากันหมดร้อยคนนะไม่ใช่อามากคนเดียวพอหรือสองคนมาเป็นไรนะมาเป็นผู้ใหญ่จัดการเจราจารจากนั้นการเจราจารเป็นอย่างนี้ให้อำนาจคู่ปกครอง ให้อำนาจอวาลีนะแบบลูกสาวนะนะี่แหละเช่นจะแต่งงานเนี่ยมันจะมา ก, กันแช์มาย่อมาพี่มาน้องมาไม่ใช่เอาตัวแทนมาคนเดียวพอเอาวาลีมาเอาสุลตันมาอะไรนะมาทำการนิกาถ้ามีคดีฆ่าเกิดขึ้นก็ทรงผู้ใหญ่มาคนเดียวกอมาทำอะไรนะมานี่มาเจรจากันจะเอาอยัางไงการเจรจามีสามอย่างหนึ่ง ส่งผู้ปกครองมาเจราจากันว่าจะฆ่าเขาไหมคนเนี้ถูกปจับได้แล้วเนี่ยจะฆ่าเขารึไม่ให้หรือจะเจ้จะไม่ไม่่ฆ่าเขาหนึ่งมารับค่าทำขวัญดได้ีืกว่าฟิลด์ยอ่าเราขอสามล้านยกตัวอย่างชายคนนี้ถูกฆ่าแล้วก็จับได้ด้วยส่งคุณลักูุ ย, ายมามาเจราจาฟิลด์ยาหนึ่งขอเกินนะ ค่าจำขวัญเท่าไรสามล้านอย่างในอาหรับเขาทำกันแบบนี้สองหรือไม่ก็ถูกค่าไม่เอาค่าจำขวัญหมันไส้แล้วเกินเอาค่าก็ต้องให้ผู้พิพากษาเขาจัดการนะอันที่สทรสงตัวแทนมามาอะไรนะมาให้อภัยไม่อยู่สามรายการหนึ่งยกโทษไม่เอาเรื่องสองมาแก้แค้นเหมือนกันให้ ถ้าเขาให้ตายอันที่3ให้อาพัยไม่เอาเรื่องไม่เอาความสุนกันเลยกันตรงกว่าการข่ากัารผิดไม่ผิดเมื่อเกิดขานข่ากันเกิดขึ้นแล้วนะวิธี1ปนีปนอมกันด้วยการให้อาพัย2คิดเงินไป3ฆ่าตายตามนี่อยู่3า Allah, อาการ a l อ a h Akbar is Islam ใช่ไหมทีนี้จับแพะมีไหม จะแพะไม่มีอัลกุรอานสั่งตรงไหนฟาดยูซริฟฟิลกอลีฉะนั้นอย่าได้ล่วงเกินขอบเขตในการฆ่ า, น, านี่ไตงตัวนี้มาถึงไงอย่าจับแพะห้ามเอาแพะห้ามจับคนนี้มาว่าคนนี้แลเป็นคนฆ่ารับพงรับปากอย่างนี้ผิดในอันอิสลามถือว่าบาปใหญ่นะครับอย่าจับแพะ ห้ามห้ามห้ามห้ามจับแพะนะครับอินหูกาณมสูรอแท้จริงเขาผู้ถูกอาธรรมจะได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอ์เสมอคนที่ถูกอาธรรมอะ่ะคนที่ถูกรังแกคนที่ถูกฆ่านี่นะอัลลอ์รักคนก น, นี้หนึ่งกฎหมายอัลลอ์ก็ส่งประทานอัลกุรอาน ล, ลงมาปกป้องดูแลคนถูกอาธรรมเนี่ยใช่ไหม อาญาณนี้ปกป้องดูแลคนถูกอาธรรมคนถูกอาธรรมตายไปแล้วส่วงผู้ปกครองคนหนึ่งคนใดมาเจัากับมาเจรจาเอาล่อให้ทางออกถึงสามทางด้วยกันหนึ่งจับเขาฆ่าสองทำไรนะหรือไม่ก็ให้อภัยสาหรือไม่ก็รับค่าทำขวัญให้โอกาสของคนที่ถูกอาธรรมถึงสามรา ถางว่ารางวัลท้งหมดดีมีไหมจากอัลลอฮ์น่ะมีหมดเลยแล้วก็ไอ้คนที่ถูกฆ่าก็เหมือนกันเขาก็ถูกฆ่าภาพน่ะบาปหมดเลยนะบาปหมดเลยที่เขาฆ่าคนไว้น่ะบาปไหมบาปหนักเลยในโลกอาคิยรอนนะ่ะถูกลงโทษแน่ๆถ้าหลบไปหลีกมาเลี่ยนกันไปเลี่ยนกันมาแต่ถ้าหากว่ามายอมรับว่าฉันนี่นะทําผิดจริงแล้วเขาก็ถูกฆ่าตายบนโลกดุริยาใบนี้ พอฆ่าตายปั๊บนี่จบเลยนะเป็นชาวสวรรค์เลยนะอย่าคิดตัวไม่ใช่ชายสวรรค์นะเป็นชาวสวรรค์อ้างขอยกตัวอย่างมีผู้หญิงคนหนึ่งไปทําซนามาในสมัยนบีเนี่ยพอทําซนามาก็ทองมาถึงก็นันบีนั่งอยู่ในมัสยิดมานั่งอยู่ข้างหน้านาบีบอกนบีฉันเนี่ยทําซนามานาบีบอกกลับไปก่อน ให้ขอดลูกก่อนแล้วค่อยมาแต่ความจริงไอ้ตอนที่นบีไล่ไปถ้าไปเริ่มก็จบใช่ไหมพอขอดลูกเสร็จแล้วก็มาหาอัลลอฮฺอีกอุ้มลูกมานาบีจะฉันขอดลูกแล้วนบีก็เมินหน้ามาตั้งอื่นเพ่เดินมาข้างหน้านาบีอีกนี่ลูกฉันเนี่ยนบีว่าไปไ ป, ไปกลับไปก่อนไปเลี้ยงลูกให้ทิ้งนมก่อนแล้วค่อยมา ออลลอฮฺไปเลี้ยงอีกปีสองปีจนกระทั่งลูกเนี่ยกินขนมปังได้แล้วก็ถือมาอีกครั้งที่สามมาอียาโอ้เราซูมเรลอลูกฉันทิ้งนมแล้วน้พีก็เมินหน้าอีกหันมาอีกเนี่ยลูกชันเนี่ยกินกินอาหารได้แล้วทิ้งนมแล้วไอ้นั่นมากี่ครั้งสามครั้งทําไมมาอ่ะเพราะเขาอีหมานต่อออลลอฮฺนะแล้วนา้าพี่ทำไมนา้าพี่ว่า เอาลูกไปไปห้ญาติพี่น้องเลี้ยงแล้วก็จับแม่เนี่ยมามาฆ่าเอาฝังไว้ขึ้นกลัวมีคนมาฆ่าแล้วก็ต้องตายอพอเสร็จแล้วเลือดที่มันกระเด็นมีชายคนหนึ่งเลือดมันกระเด็นมาถูกบาถูกผ้าเขาเขาบอกเลือดสกรปรกไม่น่าจะให้เลือดผู้หญิงสกรปรกได้มาถูกผ้าเฉยเลยเนี่ยน บ, บีโมโหนี่บอกคุณรู้ไหม อย่าพูดคํานี้นะถ้าหากว่าอัลลอฮ์จะอภัยจะโทษให้นะเพราะผู้หญิงคนนี้นะม า, มารีนาทั้งหมดนี่อัลลอฮ์อภัยจโทษหมดเลยนะเพราะวันนี้ผู้หญิงคนนี้เขากลับเมื่อกลับตัวเป็นคนดีแล้วเขาสารภาพผิดแล้วก็ยอมถูกฆ่าตายในคุ่นทางของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวานาแหละฉะนั้นอย่าดูถูกคนอย่าว่าคนอย่าดูถูกคน แล้วก็นางนี่เป็นนางที่สะอาดบริสุทธิ์นางเป็นชาวสวรรค์นคนหนึ่งของอัลลอฮฺสุภาหูอัตตาแล้วเพราะเขาตาบ้าตัวแรยเพราะฉะนั้นเป็นอนครับการตาบ้าตัวเป็นเรื่องดีมากเลยนะแต่ตาบ้าตัวโดยการถูกฆ่าแบเชิญได้ไปสวรรค์ะพอวิญญาณออกจากร่างปั๊บไปสวรรค์เลยนะทำโยลิลแล้วแต่ทุกคนมันยังกลัวอยู่แล้วนะนะโอ้โหโอย โอ้โหเล่นฆ่ากันเนี่ยสอเมริกาญี่ปุนทั้งหมดยุโรปเนี่ยแอนติล ก, การอิสลามทั้งหม ด, ดหนั่นแหละใช่ไหมแม้แต่มุสลิมเองก็ยังวาดวาอยู่วันนี้ใช่หรือไม่ใช่ก็มีอยู่ทางเดียวใครที่ไปทำซีนามาเต่าบาตัวนี่เป็นทางออกสุดท้ายอัลลอฮ์จะรับหรือไม่รับก็ยังไม่รู้เ น, นนะไปฆ่าคนมาอันนี้มันเราที่ตัวเองถูกฆ่าเรืจ่รจ่ายเงินจ่ายไม่ได้แล้วเนี่ยปล่อยไปก่อนเดียวก็ได้ชัลลอ ถึงจำไม่ได้ก็นอนไปหลับกลางคืนภาวะอยู่นั่นแหละนะเอาไปน้องเอาอัลลอฮ์พูดเป็นไงได้ไหมเวลาตักตูลุนนับสัตติ حرم ัลลอห์อิลลาบิลฮักติสู่เจ้าอยากฆ่ า, าชีวิตหนึ่งชีวิตใดชีวิตที่อัลลอฮ์ทรงห้ามไว้เว้นแต่ความยุติธรรมวะมังกูตีละมอสลูมันและผู้ใดถูกฆ่าอย่างอายุติธรรม ฝากกจะ ل าาลิวลียิฮีสุตปอนะเราได้ให้อำนาจแก่ผู้ปกครองของเขาเป็นผู้จัดการเรื่องการถูกฆ่าโดยอายุธิธรรมนะครับฝาลยุสริฟลกอตลฉะนั้นอย่าได้ล่วงเกินขอบเขตในการฆ่าอินนาหูกานาเมสูรอแท้จริงผู้ถูกอาธรรมนั้นจะได้รับการช่วยเหลือเสมอ ในเรื่องอื่นก็เหมือนกันใครที่ถูกรังแกถูกอาธรรมนะครับจากสังคมเนี่ยอลัลลอฮ์ช่วยเหลือขออุดาอัลลอฮ์รับแม้จะไม่ใช่มุสลิมคนที่ไม่ใช่มุสลิมถูกรังแกจากมุสลิมขอ อ, อ, อุดาอัลลอฮ์ก็เมตตาของคนที่ถูกรังแกด้วยนะอ้าวต่อมาครับมีฮะดีสเอาอัติบาย น, นะ จากบุครีกาอิมามมุสลิมสองรายงานที่บอกว่าคนที่เป็นมุสลิมนี่นะเราจะให้ลูไม่สามารถที่จะไปหลังเลือดคี่น้องมุสลิมคนที่ก ล, ล, ล, ล, ล่าวกาลิมาอัชด่วนเลยอิละฮิลลอหัวอันนโมฮัมมัดอัลรอสูลลอห์นอกจากสามรายการอนุญาตให้ฆ่าได้ไม่ผิดหนึ่ง คนที่ฆ่าคนอื่นตายอธิบายแล้วสองคนที่ทำศีนาสามคนที่ทิ้งศาสนาแยกตัวออกไปกับจามะของมุสลิมเนี่ยอยู่สามรายการเท่านั้นเองนะครับเอาต่อมาครับคุรานอายะที่34วะลาตะกรอบูมาลัยติน อิลลับ e good ah ิลาติฮียะอัลสและสูจชาวยาเข้าใกล้ทรัพย์สินของเด็กกัมพรามลายตีมต่ออธิบายอย่างนี้นะครับเข้ากล้นะอายะอนอาะก่อนนี่มีไหมยาเข้ากล้ยาเข้ากล้การจีนาเมื่อสองสามอายะที่ผ่านมาแล้วนะอยาเข้ากล้การจีนาอัลลอฮฺไม่ได้ ไม่ได้พูดว่าอย่าทำจีนานะไม่ได้พูดพูดว่าไงนะอย่าเข้าใกล้าการศีนา่าเข้าการการะอธิบายยังไงอย่านั่งใกล้ผู้หญิงอย่าคุยกับผู้หญิงทางอะไรนะ Facebook ก็ดูหน้าดูตากันด้วยแล้วก็ฮโหลโทราศาพัพท์หรคุยชา้าคุยเย็นนานๆเป็นชัมม่วโมงชุวงอย่าทำอย่าทำ นี่คารวานะลาตากระบูอลัลลอฮ์นี่ภาษาของอลัลลอฮ์นะอย่าเข้ากล้าการสีนาะสองสามเนี่ยน้องนั่งมองผู้หญิงมองและพิจารณาอย่าทำอย่าทำสีถ้าผู้หญิงเดินผ่านยกตัวอย่างผ่านหน้าเรา เ, เราก็มองได้กี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งครั้งเดียวนะพอเห็นหน้าจริ ง, งลืมเอ้กี่ครั้งนะี่ะ สาว่าสี่นั่นนบีพูดสี่หรือสามนั่งครั้งเดียวอนุญาตให้มองจริงๆกี่ครั้งครั้งเดียวครั้งที่สองทำไงขัน2อทำไงนะให้ก้มหน้าล้วก็นึกนึกว่าไงเนี่ยอุลมามะก็แนะนำนะตอนก้มหน้าให้นึกว่าที่บ้านเรานะ่ะสวยกว่านี้แต่เยอะนึกไม่ออก <c oughs> อย่างนี้มันสบายที่ว่า เอาพี่น้องวลตาตะกรอบูทานทั้งหลายอย่าเข้าใกล้ามาดั ล, ลายาตี <c oughs> สัพย์ศีของเด็กกัม้าเขาว่ากกัมพาเนี่ยอธิบายยังไงกัม้าหมายถึงพ่อตายกัมพาเนี่ยพ่อตายไม่ใช่แม่ตายนะพ่อเสียชีวิตถ้าไมเอาพ่อเ <c oughs> พราะว่าพ่อเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบดูแล ทั้งหมดเลยเรื่องการเงินการทองแต่เรบางคนน่ะแม่ตายกับกัมพาไม่ใช่แม่ตายไม่เรียกว่าเด็กกัมพาต้องพ่อตายนะบางคนก็ะูดเมียตายกัมพารออิปรหยมพูดเมียตายฟังพยานะไม่ได้ไม่ได้นะท่านหมายถึงเด็กกัมพราอริยทีหมายถึงเด็กกัมพา อิลลับิลละทีอยอเว้นแต่โดยวิธีที่ดียิ่งอย่าเข้าใกล้ทรัพย์สมบัติของเด็กกำพร้าเข้าใกล้ได้เว้นแต่ในโดยวิธีที่ดียิ่งเอาเงินของเด็กกำพร้าเนี่ยมาทำอะไรที่อัลลอ อ, อนุญาตให้ทำได้หนึ่งเอามาทำธุรกิจ เอามาทำธุรกิจเด็กกำพร้าที่ยากจนมีไหมมีเด็กกำพร้าที่ร่ารวยมีไหมมีแต่ที่พูดตรงนี้หมายถึงเด็กกำพร้าที่ยากจนเอ้ยไม่ใช่สิเด็กกำพร้าที่ร่ารวยเด็กกำพร้าที่ร่ารวยใช่ไหมแลเด็กกาพร้าในบริหารกิจการอะไรไม่เป็นถ้าท่านส่วนใหญ่พวกเราเนี่มีเงินกันก็เยอะแต่ว่าทำธุรกิจที่ปลอดภัยที่สุด ที่เห็นได้ง่ายๆก็คือทำอะไรนะอาพาร์ตเมนต์ใช่ไม่ใช่ลงทุนแล้วม่เห็นชัดอนี่ทำไปห้าสิบห้องเดือนละสามพันทำห้าสิบห้าเดือนละแสนห้ามันเห็นน่ะแตบ่บริหารง่ายหน่อยถึงจะโกงกง็โกงไม่ถูกโกงก็ไหก็โกงห้องเดียวเนี่ยก็สามพันเท่านั้นเองใช่ไหมแต่ลึกๆเนี่ยเรานึกไม่ออกั้านวิธีการลงทุนให้กับเด็กกับผ้าสาหรับพวกเรานะ พวกแขกของเราเนี่ยนะทำอพาร์เมนต์ง่ายที่สุดหรือทำไม่เป็นก็ขอแนะนำให้ลงอย่าไปฝาธนาคารเลยฝาธนาคารเอาดอกเบีย้ยมากินได้ไหมบ้ามีอยู่อย่างเดียวลงมูโด ร, รบาตอนนั้นแหละแต่มูโด ร, รบาก็มีอยู่กี่แห่งมีหลายแห่งแต่ที่เราเปิดกว้างในศาสตรปนรบธรรมเนี่ยที่ MTV มเนี่ยลงมูโ ร, รบาอัลฮัมดุลิลลเนี่ยพี่น้อง แล้วก็ไอ้เงินที่ลงมุดอระบาไปเนี่ยมันอะไรนะมันเห็นชัดเนี่ยไม่ใช่ดอกเบีย้ยด้วยประมาณ 12.5 เปอร์เซนต่อหนึ่งปีหักละกงสากาัดเรียบร้อยหมดแล้วอัลรทำด้วยล่ะอย่างนี้เป็นต้นลงมูดอระบาอย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีไป ท, ทําธุรกิจก็ทําได้แต่บางทีเราไม่เก่งอะ่ะใช่ไหมโอกาสที่มันจะเสี่ยงก็สูงก็ลงมุดอระบาอย่าไปฝากธนาคารไปน้องธนาคารเป็นดอกเบีย้ยทั้งหมดเอามากินก็ไม่ได้ไม่อร่อย ไม่สบายใจบาปด้วยลงมือรอระบายดีกว่านะครับทีนี้ให้ดูแลเด็กกระพานในกี่วันฮัต ha, าาตายาบาลูอะชุดะจนกว่าเขาจะบรรลุนิติภาวะโอตองกว่าต้นกว่าจนกว่าเขาจะบรรลุนิติภาวะอ้าบรรลุนิติภาวะเนี่ยอายุเท่าไหร่อาศัยอุลามะนะครับ อุลมะอธิบายอย่างนี้ท่านอิหมามอบบูฮานีฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าอายุย5่้าเห็นทัศนะอิหมามนะอิหมามอบูฮานีฟาบอกว่าอายุย5ห้าในตัฟซีรมาอานิฟุลกุรอานไปภาษาอุรดูนะอีกคนหนึ่งในหะดีสอิบนุกะซตัฟซีอธิบายบอว่าอายุ18บปบางคนบอกว่าอายุส0มสิบ มีอะไรนะสามสิบมียี่สิบห้ามีสิบแปดมีนี่ไงคำว่าบรรลุนิติเพราะว่าเด็กกำพา้าโตเป็นหนุ่มเป็นสาวอายุเท่าไหร่สามสิบมีสิบแปดมียี่สิบห้ามีอ่ะก็ก็พิจารณาดูตัวนี้เด็กเนี่ย เด็กกระพ้าเนี่ยมันมันก็ต้องสติปัญญาต้องดีด้วยแข็งแรงด้วยร่างกายแข็งแรงดูไม่ใช่สติปัญญาอย่างเดียวไม่ใช่อายุ18อย่างเดียวนะเราต้องดูว่าความสามารถในการบริหารเงินมีไหมถ้ามีก็มอบไปเขาไปถ้ายังยังติดยาเสพติดอยู่ี่จบเลยนะถ้าเด็กกระพ้าเนี่ยเราดูแลก็ไม่ดีคือทั้งปฏิญาเสพติดไอ้เงินจะมีกี่ล้านก็ตามอย่าเพิ่งมอบให้เขานะ ก็ต้องดูแลรักษาจนกว่าเขาจะหายป่วยก่อนต้องดูแลให้ดีเลยเพราะว่านี่เป็นทรัพย์สินของอัลลอฮฺสุภาห์นหววะฮ์อัลลอฮฺนะครับเอาตัวลงว่าในตัฟซีดอธิบายดีนะคาตายับลูกอัชุ ด, ดะจนกว่าเขาจะบรรลุนิติภาะวะนี่ด้านยิสมานี้ด้านร่างกายแล้วก็ด้านอาร์กอะไรนะสติปัญญาสมองสองอย่างนี้ต้องควบคู่กัน ไม่ใช่อายุอย่างเดียวส8บแปและถ้ายังใช้จ่ายเงินไม่เป็นก็จะเพิ่มให้นะครับดูแลให้ดีเอาต่อมาครับว่าเอาฟูบิลาดีและจงให้ครบตามสัญญาอิ น, นละดกานามสูละเพราะแท้จริงสัญญานั้นจะถูกสอบสวนแน่ๆในวันเตียมัอย่างแน่นอน อาย่านี้มีหลายเรื่องนะเรื่องที่หนึ่งอย่าเข้ากลา้เด็กกาพร้าเรื่องที่สองให้ดูแลเด็กกำพร้าเนี่ยอย่างดีนะครับดูแลเงินเขาด้วยอย่างดีต้องเอาเงินเนี่ยมาลงมือรอในตับสินอธิบายเลยนะมาลงมุดอรอ บ, บาเลยนะนะครับอย่าไปกินดอกเบี้ยเอามาลงมุดอรอ บ, บา นำเงินไปทำธุรกิจถ้าทำไม่ได้ให้นำเงินไปฝากที่ธนาคารไปลงมูลออมบาห้ามไม่ให้เอาอินเทรสดอกเบีย้ยนะครับเอามาเลี้ยงเด็กกำพร้านะครับ <c oughs> เอาต่อมาครับอะัะหดูแปลว่าสัญญาสัญญานี่มีสองอย่างน ะ, อ, ะอธิบายยังไงสัญญาระหว่างเรากับอัลลอฮ ต้องรักษาให้ครบสองสัญญาระหว่างเรากับมนุษย์สัญญาในสองอย่างนะอลาดูเนี่ยต้องทำให้ครบตามสัญญาท่านสุจยจดอธิบายบอกว่าในอิบในคุตในตับซีคุตตุบีนะคุลุมาอามรัลลอฮฺบิฮิวะนะฮาอันนุฟะฮฺวะมินณละอาดิสัญญาที่อัลลอฮฺห้าม กับสัญญาที่อัลลอฮ์สั่งให้ปฏิบัตินั่นเป็นสัญญาด้วยเอาอัลลอฮ์สั่งให้ปฏิบัติมีอะไรบ้างอีมานหข้ออิสลามกี่ข้อห้าข้อนั่นเป็นคําสัญญาทั้งหมดเลยแล้วก็ข้อห้ามทั้งหมดอย่างกําลังอ่านอยู่เนี่ยเป็นข้อห้ามทั้งหมดนะนะสิบห้าข้อดูการเนี่ยนะนี่เป็นข้อห้ามและบาปอีกบาปใหญ่ประมาณ80สบข้อเนี่ยนั่นเป็นคําสัญญาระหว่างเรากับอัลลอฮ์ทั้งหมด แล้วสัญญาอีกข้อหนึ่งระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์เรากับภรรยาเรามีไหมหน้าที่มีเต็มเลยเรากับลูกๆของเราเรากับพ่อเราเรากับญาติสนิทของเราเรากับเพื่อนบ้านใกล้เคียงนี่เป็นสัญญาระหว่างเรากับมนุษย์เรากับอัลลอฮ์เรากับมนุษย์อายะนมาเนี่ยระหว่างเรากับใครเรากับอัลลอฮ์เห็นไหมว่าอัฟูอัลลอฮ์สั่งจงทําให้ครบนะ ต้องทำให้ครบตามสัญญาสัญญาระหว่างเรากับอัลลอและสัญญาระหว่างเรากับมนุษย์อย่างสัญญาเนี่ยเรื่องค้าเรื่อง ข, า, องขายกันเนี่ยนี่เป็นสัญญาทั้งหมดกุลลุมมินทูมายัสอาลุสซอฮิบูฮูอันดูสัญญาที่ทำกับมนุษย์ด้วยกันเนี่ยต้องทำให้ครบนะครับเพราะอัลลอให้รางวัลของคนที่ทำให้ครบตามสัญญาที่เขาได้ทำสัญญากันไว้ แล้วก็สัญญาทั้งหมดมันเป็นไงครับอินละจักกาณามสูละแท้จริงสัญญานั้นจะถูกสอบสวนในวันตียมพราถูกสอบสวนก็มีรางวัลใช่ไหมและเาลาสอบจริงๆด้วยนะสัญญาเนี่นะไม่ใช่ไม่สอบนะสอบเนี่ยให้เรานึกถึงภาพอาคือรยอะเยอะๆตอนครูโบเนี่ยสอบกี่ข้อรู้มาสามสามสามสามหรือสมารอบบุกะ มันฑน บ, บีอยู่กับมันอิมาโมกะสามข้อนี่เป็นสัญญาเหมือนกันแล้วก็อาดาบกูโบเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่รู้ไหมสิบสามรายการเดี๋ยวค่อยๆนำมอาอธิบายนะอาดากูโบเนี่ยการทรมานที่สุสานมีทั้งหมดสิบสามข้อบางอุลมะบอกว่ามีอยู่แปดข้อน้องจะเอาแปดหรือเอาสิบสามดีก็เอาแปดดีกว่าหรือไม่มีก็ะเอาเลยนะ กลัวนะอาสามในกูโบมีจริงน ะ, ะท่านทําให้ครบสัญญาของอัลลอฮ์แต่หากทําไม่ครบเนี่ยถูกเล่นงานในกูโบโอุลลม่บางท่านคำมีอยู่สิบสองข้ออัลลม่บางท่านแต่นบีไม่ได้พูดนบีพูดก็มีอยู่หะดีเยี่ยวชกีกับกับนินทามีหฮะดีชัดเลยนะนมาหะดีชัดเลยมีไมกก่กีข้อแต่อุลลม่อธิบายเพิ่มนะี่ยรวมไปสิบสอข้อยิง่งอ่านเยอะยิ่งกลัว จริงไม่อาเลยไม่รู้สบายแต่ว่าไม่มีโทษนะใช่ไหมแฉะนั้นต้องฟังศาสนาเยอะๆพี่น้องพบฟังแล้วใจมันก็หอนั้นแหลใจมันก็จะดีขึ้นเอาต่อมาอายาที่ส5สบห้านะครับพี่น้องว่าเอาฟูจงทำให้ครบว่าเอาฟุลไกล่ใหญ่ราคิลตุมจงทำให้ครบเรื่องการตวนใกล้ลูกใกลไม่ว่าไดนะ ตวงจงตวงให้เต็มนะจงตวงให้เต็มนี่พูดกับใครเนี่ยพูดกับนักค้านักขายอิสลามส่งเสริมการค้าขายไหมส่งเสริมครับอิสลามส่งเสริมให้ค้าขายซอ บ, บ้านนาบีนะค้าขายเป็นส่วนใหญ่นะและคนที่ไม่ค้าขายกับก็มีแต่มาอยู่กับท่านนาบีมาเรียนาศาสนากับท่านนาบีอย่างอบูไรรอดเนี่ยไม่ได้ค้าขายอะไเลย อยู่กับท่านนบีรอหาความรู้กับท่านนบีส่วนท่านอบุบักร์ค้าขายซาอุมัดค้าขายสนาลีค้าขายเขาค้าขายกันหมดน่ะพี่น้องแค น, นั้นอัลลอ์สั่งเรื่องการค้าอย่าอไรนะจงทำให้ให้เต็มในการตวงอิจาจิลตุมเมื่อสู่เจ้าตวง วาซีนูบิลกิสปอซิลมุสตะทีมและจมช่างด้วยตาช่างที่เที่ยงตรงเนี่ยพี่น้องเราที่ขายเป็ดขายไกย่ขายเนื้อที่ตลาดเนี่ยอย่าไปโกงไอ้แค่ขีดนึงก็อย่าไปโกงอย่าไปโกงบาปรู้เปล่นานบีที่อลัลลอฮ์ส่งมาปราบเรื่องโกงตาช่างกับช่างตัวไงนบีชูอับนะ ทรงมาสอนเรื่องนี้โดยเฉพาะเพราะในยุคของนบีชวยิบเนี่ยเป็นยุคที่ค้าขายที่เจริญที่สุดแล้วก็ยุคนั้นมีความเชื่อว่าถ้าไม่โกงไม่รวยวนั่นเป็นความคิดที่ผิดทั้งหมดเป็นอกคดีดาที่ผิดอัลลอฮ์สรงนบีไอ้นบีชวยบมาสอนเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วก็ไม่มีใครเชื่อแล้วเป็นไงอัลลอฮ์ลงโทษ น, นะให้เนี่ยฝนตกลงมานะ่ะเป็นไฟนะ ข่าหมดเลยทําลายคนที่โกงตาช่างทั้งหมดนะโกงตาช่างเรื่องการตวงการช่างเนี่ยท่า น, นในอิสลามเนี่ยเอาหลอเป็นห่วงคนที่ค้าขายเตือนอย่ากโกงตาช่างนะอย่ากโกงนะถ้าโกงเลยนะเงินของท่านที่ได้มานี่นะไม่มีบรักัดนะมันไปทําลายท่านต่อนหนาตอนชีวิตอยู่ในกูโบ่ คือวิธีวิธีหลอกแล้วมันมีอยู่แล้วใช่ไหมทำให้ตาช่างอ่อนไปหน่อยก็ได้ใช่ไหมหรือแข็งไปหน่อยก็ได้ใช่ไหมไอ้เรื่องแข็งไม่มีกระทาทำให้อ่อนหมดแล้วพอวาปั๊บเน่ยโอ้โหอย่างน้อยขีดสองขีดเนี่ยอย่าไปเอาอะไรอย่าไปคิดทําในเรื่องนี้ของคารามตหมดนะนะครับเอาต่อมาครับตาตัซีตอธิบายดีก็บอกว่าช่างให้ครบเป็นการรักษาอามานะอ่า การช่างหรือตวงให้ครบแสดงว่าคนคนนั้นนะ่ะเป็นคนที่มีจิตใจสะอาดออนี่ก็ชมนะในอลอ์มาทั้งหมดจะพูดนะคนที่ช่างตวงให้เต็มหนึ่งเขาเป็นคนมีอามานะสองเขาเป็นคนที่มีจิตใจสะอาดแล้วก็อันที่สามการค้าขายของเขามีบรารกะเนี่ยค้าขายมีบรารกะคนที่ช่าง ตวงเต็มไปเต็มมาอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮ์ให้สามอย่างหนึ่งคนนี้มีอามา น, น่าดีสองคนนี้ใจสะอาดคนนี้มีบรรยกาศในการค้าขายของเขาสามอย่างอัลลอฮ์ให้สามอย่างนี่อุลลอฮอธิบายนะแล้วเป็นไงครับซาลิกคอย ก, การค้าขายที่ช่างตวงเต็ม เป็นการดีอัลลอฮฺอัลกบะดนี่ยเป็นความดีแล้วว่าอ่ะสัน้นและเป็นการตะวีละเป็นการตัดสินใจที่ดีกว่าอัลลอฮฺอักบะดตัดสินใจที่ดีกว่าอธิบายอย่างนี้อุลามะอธิบายไป ว, ว่าในวันกตียมะนั้นเขาจะได้รับรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺเป็นพิเศษเลยคนที่ค้าขาย ตวงเต็มชั่งเต็มบนดุญญานี้เขาได้ชื่อ3ชื่อมีอมะนะดีคนนี้ใจสะอาดริสกีของเขามีบรอกัตแต่ตอนตายหลังตายอัลเอกบัรอะนุตะอวีละหเขาเป็นการตัดสินใจที่ดีกว่ามาถึงได้รับรางวัลตอบแทนจากอัลเลาที่ดีกว่านะครับ มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ราับารกัดเยอะมากเลยในโลกอาคเร์นะครับอา้ายกตัวอย่างใครอัโดรมานบินอ้าเป็นนักค้านักขายน บ, บีบอกว่าใครที่ค้าขายแล้วก็ตรงไปตรงมาช่างตวงตรงๆงไม่โกง้าช่างอัลลอ์จะให้เขานั่งคู่กับน บ, บีใช่หรือไม่ใช่ผลบุญเหมือนกับคนที่ดูแลเด็กกำพร้า เขานั่งอยู่กับนบีในสวนสวรรค์นั่งกันแบบนี้ใกล้ชิดกันดังนั้นคนค้าขายได้ไปสวรรค์ครับเพราะว่าคนค้าขายเนี่ยทาให้โลกเจริญก็ได้ทําให้โลกตกต่ําก็ได้อา้าวถ้าค้าขายแล้วมีสกาดดีไหมอลัลลอฮฺแล้วไม่โกงจะช่างดีๆีไหมดีประเทศชาติมีบรารักัดใครที่โกงอัลลอฮฺอัอลลอฮฺให้ฝนแรง เพราะว่าอาซาบมันมาแล้วนะสมัยนบีชว่วยนมาแล้วใช่ไหมอาซาบจะซ้ํารอยก็มีอาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันถ้าหากว่าการค้าการขายมีการโกงตาช่างกันมากขึ้นนะครับมีหดดิษอีกบทหนึ่งนะครับนบีสอนอย่างนี้ <c oughs> ท่านอิบนะอับบาสได้รายงานบอกว่านาบีพูดกับท่านปฏิมา ม, มุสลิมนะครับพูดบอกว่าอบูซาดเอย๋ย อินนีอารอกกับบาฟันฉันเห็นท่านอบูรัตเนี่ยเป็นคนอ่อนแอนี่นบีพูดเองนะฉันเห็นคุณเนี่ยเป็นคนอ่อนแอนะว่าอินนีอูไฮบุลละกมามอาูไฮบุลินับซีฉันนี่นะชอบให้ท่านมีอย่างกับที่ฉันชอบให้เกิดขึ้นกับตัวของฉันนบีสั่งนะจงดูแลสองเรื่องให้ดีอบูรัตเอย๋ย ดูแลสองเรื่องนี้ให้ดีเรื่องที่หนึ่งการตวงกับการช่างดูแลให้ดีถ้าคุณจะค้าขายนะให้ดูแลเรื่องนี้ให้ดีนะการชั่นงกับการตวงอย่าให้มันบกพร่องนะและอีกเรื่องหนึ่งจงดูแลทรัพย์สินของเด็กกาัาพาเนี่ยที่ท่านนาบเีเป็นห่วงอบูซาดเอ๋ยคุณนะอ่อนแอนะ คุณเป็นคนจนโอกาสที่จะโกงมีไหมลนะ่ะยังจะค้าขายเอยากจะรํารวยไปไวใช่ไหมก็โกงตาช่างมาวันละขีดละขีดละขีดเนี่ยโอ้โหถ้าวันมันขายได้พันขีดถึงเท่าไรนะหลายกิโลอ่ะฉะนั้นคนจนเนี่ยอย่ากโกงตาช่างอบูซาติเป็นคนอ่อนแอเป็นคนจนชอบทํามาค้าขายนาบีสัง่งอย่ากโกงตาช่างนะเพราะคนจนเนี่ยมันอยากจะรวยคุณอย่ากโกงตาช่างสอง เวลาไปดูแลเงินเด็กกำพร้าอย่าเอาเงินเด็กกำพร้ามาใชา้เป็นของส่วนตัวตบางคนเป็นอย่างนี้เด็กกำพร้าเป็นเป็นผู้หญิงดูแลเลี้ยงเลี้ยงต้อยอ่ะแล้วพอโตนิก้าก็เด็กผู้หญิงอ่ะจะได้หุบที่ดินเขาเงินเขาถ้าเนียรไม่ดีระวังอ่ะดูแลรั์เนียร์อะไร มันจะเอาเนี่ยดูแลเด็กกำพ้าคนนี้ล่ะโตก็ได้ทําเป็นเมียแต่ยกตัวอย่างอย่างเงี้ยนะแล้วก็เนี่ยพวกจะดูแลเงินของเขาจะเอาเงินน้องเก่ามามาอะไรมาผูา้ยี่ผู้ยำระวังให้ดีนบีสั่งอบูจาเต๋อคุณเป็นคนอ่อนแอนะคุณต้องดูแลเรื่องการช่างการตัวให้ดีสองดูแลเรื่องเงินของเด็กกำพ้าให้ดีนะครับเอาต่อมาครับอายาที่สาสบห ว่าลาตักฟูมาไดซาลาคาบิฮิอิลลิและจงอย่าทำตามตักฟูนี่แปลว่าอย่าทำตามมาไดซาลาคาบิฮิไรลิสิ่งที่ท่านไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆอุลามะอธิบายอย่างนี้ ไอ้ครัว่าทําตามเนี่ยมีอธิบายอย่างนี้อย่าพูดด้วย น, น, วนะเวลาตะกูลไิมานะอย่าพูดนะครับอย่าพูดสองข้อที่หนึ่งอย่าทําตามอันที่สองอย่าพูดอย่าพูดก็ได้อย่าทํำตามก็ได้นะอัลลม่อธิบายส่วนท่านกอตาดาอธิบายอย่างนี้ลาตะกุลรอยอตุบาลลำตารอ อย่าพูดว่าฉันเนี่ยเห็นทั้งๆที่ท่านน่ยไม่ได้เห็นหรอกมานั่งประชุมเนี่ยฉันเห็นจากตัวเองไม่ได้เห็นสักทีหนึ่งนะแต่มาเล่าว่าฉันเห็นอย่าทําอย่างนี้อธิบายคําว่าวาลาตักฟุมาลซาลากาบีฮัยลมิทา่านทั้งหลายอย่าทําตามสิ่งที่ท่านไม่มีความรู้อธิบายยังไงอย่าไปพูดว่าฉันเห็นเห็นเห็น แต่ตัวเองนะไม่ได้เห็นสักทีนึ่งพูดว่าเห็นสองฉันได้ยินฉันได้ยินเขาพูดแต่ตัวเอง น, นอนอยู่ที่บ้านไม่ได้ยินสักทีหนึ่งแต่มาพูดในที่ประชุมพูดกับเพื่อนืนว่าฉันได้ยินอย่างเงี้ยอย่าทำนะครับแล้วก็ฉันรู้พูดว่าฉันน่ะรู้แต่ถันก็ตัวเองไม่มีความรู้สามเรื่องนี้อย่าทำ ไม่เห็นไม่รู้ไม่ได้ยินแต่พูดว่าฉันได้ยินฉันรู้ฉันเห็นเนี่ยอย่าทำอย่างนี้อัลลอ์ห้าววในัคแีอัลกุรอานเวลาตักฟูมาไลซาลกับบีอัลมีนี่อภิยานเทศมาอย่างนี้แหละใช่ไหมจากเป็นภยานเทศกันใช่มนี่ถ้าเข้าใจกุรอานอายานนี้เวลาตักฟูมาไลซาลกับบีอัลหมีแปลว่าอยา่าอย่าพูด อย่าว่าฉันเนี่ยเห็นอย่าพูดว่าฉันเนี่ยได้ยินอย่าพูดว่าฉันนารู้ทั้งทที่ฉันเองก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่มีความรู้ไม่เห็นไม่รู้แต่พูดว่าเห็นรู้เนี่ยอย่าทำอย่างนี้นะครับทำไมครับอิ น, นสัมมาแท้จริงหูวัลบสรตาวัลฟูอาดา หัวใจสามรายการนี่ทำไมอวัยวะร่างกายมีตั้งเยอะศีรษะก็มีเท้าก็มีไส้ก็มีพุงก็มีแต่ทำไมอลัลลอฮฺเอ่อยแค่สามรายการน่าคิดนะเอ่ยเอยอะไรก่อนเอ่ยตารองลงมาเอ่ยเอ่ยเอ่ ย, อยหูก่อนหูก่อนแล้วก็รองลงมาตารองลงมาหัวใจ ผมเคยนั่งคุยกับหมอเนะ่ยผมถามว่าหมอเด็กที่อยู่ในคันมารดาเนี่ยเอาล่อสร้างอะไรก่อนหมอว่าสร้างหูก่อนพอสร้างหูเสร็จแล้วก็สร้างตาพอสร้างตาเสร็จแล้วก็สร้างหัวใจหัวใจสร้างที่หลังจดนะแล้วก็เอาเอาไว้ว่าส่วนอื่นมันก็ตามมา ต้องร้องว่าสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างลูกของเราที่อยู่ในคันมารดาเนี่ยสร้างตามคุรานอนุญาตนี้เลยนะสร้างตาก่อนนะหูก่อนที่เราเห็นเห็นอยู่นะนั่นนะหูใบหูรู้หูหูรองลงมาตารองลงมาหัวใจหัวใจเนี่สร้างสร้างทีหลังเห็นไหมนี่วิธีการสร้างของอัลลอฮ์ سبحانه และุตาลัฉะนั้น กุรานอัลลออธิบายเรื่องของเราทั้งหมดเลยนะครับต่อมาครับกุลูลอิกะนอันฮูมสลาทุกสิ่งเหล่านั้นจะถูกสอบสวนอา้าวอัลลอฮจะสอบเรื่องหูก่อนอสอบเรื่องหูสอบอธิบายยังไงฟังใช่ไหมฟังเรื่องอะไรถามท่านคุณน้องว่าท่านเอาหูของท่านน่ยมาฟัง ศา ส, สนาเนี่ยวันละกี่ชั่วโมงสอบจริงๆก็ตกเป็นแถวเลยนะเอาหูเนี่ยฟังตับซีกุรานหรือฟังเพลงฟังเพลงอร่อยแต่ฟังต๊าซีต้องเยอะนะเตัาะซีไม่อร่อยตรงไหนเหลยฟังเพลงมันมั น, มนอลอเด่นตึกตึกตึกใช่ไหมอ้าวเอาเราจะถามหูแล้วก็ถามตาอยกมองอะไร อ่านถ้าถ้าต้องการจะให้สายตาเราดีนะดีตานี่ยนะดีนะให้มองตัวอา่ากุรานให้มองกุรานเนี่ยให้มองให้มองคุรานนี่ยนะมองเยอะๆแล้วก็จ้องมองน้ําทะเลในมหาสมุทรแล้วก็จ้องมองฟ้าแล้วก็จ้องมองกะบะนี่เป็นบรักกัศทั้งหมดนะหนึ่งมองอะไรคนระับมองกุรานเนี่ยตัวคุรานนี่แหละ สองมองอะไรน้ำทะเลสามมองเขียวๆต้นมงต้นไม้เนี่ยนะแล้วก็มองกะบะอัลลอฮหุอักบัดทำให้สายตาเนี่ยดีทำดูลิละแล้วมองผู้หญิงเป็นไงผู้หญิงที่มาใช่ภรรยาเราหลุสาวเรามีเรานะ่ะอย่าไปมองมองเยอะไม่ดีเครียดมองภรรยาเราอัลลอฮสบายใจท่านภรรยาต้องแต่งตัว ตัวไง่ายสวยๆบางคนสามีชอบภรยาแต่งชุดสีแดงยมัง mm hmm. อ้าวใส่สีแดงไปใส่น้าหอมใช่ไหมบางคนมันแกแล้วไม่มีอารมณ์แล้วใครบอกว่าให้แต่งตอนสาวๆแต่งตอนแก่ๆนะสิสาวมึงสวยอยู่แล้วมาตรงแต่งเยอะคนยิ่งแกมันยิ่งแต่งตัวหน่อยอยู่กับบ้านอ่อยู่กับอยู่กับหน้าสามีนี่ยันที่สามีกลับจะบอสยิบเนี่ย ไปเจอภรรยาแต่งตัวใส่น้าทหน้าหัวแปลงสืฟันใส่เสื้อแดงๆยืนต้อนรับอยู่ใช่ไหมอัลลอฮฺมันอบอุน่นเนี่ยอย่างเงี้ยมีผลบุะตอบแทนจากอัลลอฮฺทั้งหมดทําทั้งหมดนั่นต้องหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺนะนะเอาสรุปใล้ๆก็คือว่าหูตาหัวใจหัวใ จ, จคิดเรื่องอะไรหัวใจเนี่ยคิดเรื่องอะไรพี่น้อง ดิสเกตถึงอัลลอฮ์เยอะๆนะเพราะหัวใจนี่นะวิญญาณรั้วนี่มันมาจากอัลลอฮ์นะฉะนั้นอาหารของวิญญาณก็คืออ่านกุรานซิกรุลลอห์นมาดนี่เป็นอาหารของวิญญาณอ่านกุรานซิกรุลลอห์นมาดนี่เป็นอาหารของวิญญาณทั้งหมดเลยฉะนั้นต้องดูแลหัวใจให้ดีดูแลรั้วของเราให้ดีนะครับอายาณนี้ต้องการจะอธิบายว่าเรื่องสงสัยเนี่ยอย่านามาม า, มาปฏิบัติ ท่านพี่น้องไปที่ซีคอนสแคว ร, ร์นี่แหละตรงนี้ใกล้ๆเราเนี่ยไปสงสยัยพอเป็นนั่งในร้านอาหารเอ้นี่มันถ้วยนี่มันสะอาดหรือเปล่าถ้าสงสัยนะจบเลยนะเดินออกมาจากซีคอนมากินตั้งหน้าศูนย์ธรรมานนี่จะไปกินเพราะสงสัยเรื่องถ้วยมันล้างสะอาดหรือไม่สะอาดอย่าไปกินฉะนั้นคำว่าสงสัยเนี่ยอย่าให้มีในใจของมุสลิมทุกคน ต้องสะอาดบริสุทธิ์นะครับอียะกรุงวากร์นท่านทั้งหลายจงระวังเรื่องการสงสัยฟะอินนาร์ร์น่ะอักุรอานฮะดีษแช่จินเรื่องสงสัยนั้นมันเป็นเรื่องโกหกนะท่านอย่าไปอย่าไปสร้างความสงสัยท่านของอิสลามเป็นฮารอนฮารอมเนี่ชัดเจนฮารอมฮารานชัดเจนระหว่างฮารอมกับฮารานเนี่ยเขาเรียกว่าไรนะมุชตาบีฮัคุมเครือ ของคุมเครือเนี่ยอย่าทำใครที่ทำของที่คุมเครือเท่ากับทำในของที่ฮารอมว่ามันว่าเป้าฟิลฮารอมมันว่าพปฟิชูบฮาดว่าเป้าฟิลฮารอมนี่ยฮัดยันอะไบางชัดเลยใครที่ถลันไปทำของที่คุมเครือเท่ากับทำของที่ฮารอมอาจารยอย่าทำนะครับอาตอมาอายา สงสัยจะไม่จบอายาแล้วมั้อมาจบขึ้นนะวลาดำชีฟิลอารุดิมาราฮาและอย่าเดินบนหน้าแผ่นดินอย่างเย่อหยิง่งอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์สอนนะเดินก็สอนมีหัวใจก็สอนว่าคิดอะไรมีตามองอะไรมีหูฟังอะไรนี่นหะความความละเอียด ความดีของอัลกุรอานที่สอนเลยท่านทั้งหลายอย่าเดินบนหน้าแผ่นดินอย่างเย่อะยิงอินนากะลัตลิก ล, ลอั l แท้จริงท่านจะแยกแผ่นดินไม่ได้เลยไอเดินเย่อหยิงจังหองเนี่ยระวังนะคุณไม่แยกแผ่นดินไม่สามารถแยกได้แต่อล l อจับแยกไปแล้วรู้ป่าคนที่อล l อแยกแผ่นดินให้อยู่นะใครมิสเตอร์กอได กอรูนมิสเตอร์กอรูนอัลลอฮ์ให้อยู่ใต้แผ่นดินเพราะตอนเดินเน่ยเยอะยิ่งจองของตอนแต่งตัวออกมาออกจากบ้านเนี่ยฉันน่ะใหญ่ที่สุดเยอะยิ่งจองของใจเนี่ยพองโตน่ะอัลลอฮ์มันไส้อะอัลลอฮ์สูบกอรูนมิสเตอร์กอรูน สูบทึบลงไปว่าบีดารีฮีสูบทั้งบ้านของเขาและทรัพย์สินของเขาลงไปอยู่ใต้ดินหมดเลยะลงกับเพชรพลอยเงินทองที่กรูนสร้างไว้นี่อัลลอฮ์สูบหมดแล้วแล้ววันนี้เราก็ไปขุดขึ้นมาอีกของขายนะของมิสเตอร์กรูณฉะนั้นยาเยอะยิงจองของเดินอยู่บนดุญญยานี่ต้องเยินแบบไรนะนอบน้องแล้วก็ถมตนต่ออัลลอฮ์สุภาณอัลบตาล นบีสอนอย่างนี้นะมันตะว่าบะใครที่เดินบนหน้าแผ่นดินนี้ในสภาพที่นอบน้อมแล้วก็ทอมตนรฟอฟ้าอาฮุลลออัลลอฮ์จะยกเขาให้สูงฟะฮูัฟฟี่นับซีฮีฮัตีรุนในหะดีษอธิบายนะใครที่มองดูตัวเองนะ่ะเล็กกระจอกไม่มีอะไรเลยนะ่ะ รู้ไหมว่าอินดดน่าเซกาบีรุนในสายตาของประชาชนเนี่ยจะมองว่าคุณเนี่ยใหญ่ถ้า ต, ตรงกันข้ามถ้าหากว่าเราเดินอยู่บนหน้าแผ่นดินของอัลลอฮ์เราเนี่ยโหบิ๊กเราเนี่ยบิ๊กหน้าดูเลยใหญ่หน้าดูเลยใช่ไหมอัลลอ์จะให้สายตาของประชาชนมองคนที่มองตัวเองบิ๊กนะ่ะสมอนทันทีเลยเล็กมากเลยั้นเดินบนหน้าแผ่นดินของอัลลอ์จะเดินตรงไหนก็ตาม เดินอยู่ซีคอนสแควร์ใหญ่หน้าดูเลยอัลลอฮฺอักบารนึกถึงคำสอนของนบีนบีว่าใครที่เดินอยู่บนหน้าแผ่นดินของอัลลอ์แล้วก็ตะกรบบทเย่อยิงจองของนะครับคนอื่นจะมองคุณนั้นเล็กนิดเดียวแต่ถ้าหาว่าเราเดินอยู่บนหน้าแผ่นดินของอัลลอ์จะเป็นตรงไหนก็ตามยิ่งเข้ามัสยิดเนี่ยต้องเล็กสุดเลยชันนิ กระจกมากเลยเดี๋ยวตัอเอาหน้าผากกับจมูกอะไรนะมาสูญ ต, ต่อ o, อัลลอฮ์ก้มกาบอัลลอ์ไม่มีอะไรเราในี่เล็กมากอัลลอ์จะยกย่องให้เกียรติประชาชนจะมองเราเนี่ยยิ่งใหญ่อัลลอฮ์เนี่ยนะอัลลอ์สอนนบีสอนนะครับวามมนิสตักรบรอเจนี้ทื่ว่า จะมองดูเราเนี่ยเล็กกระจอกเล็กขนาดไหนใช่ไหมมินาลกลิวัลคนซิลเล็กกว่าเลว ก, กว่าหมูกับสุนัขแย่ <laughs> yeah, ยิ่งกว่าหมาอนะีก <laughs> นี่คุยภาษาเราๆนะเราไม่เกียดหมูใช่ไหเกียดหมาใช่ไหมไอ้คนที่เดินเย่อหยิ่งจองของนี่นะตากว่าสุนัขแล้วก็ตากว่า เนื้อสุกรเฉะนั้นถ้าอ่านจำพระดิสนี้ให้ดีพี่น้องและอายานี้ด้วยว่าและจำชฟิลอารดิมะรอฮ์อินนักเล่นทักลุกอาร์ดว่ล่นตบลุกจีบะลาปูละอย่าเดินบนหน้าแผ่นดินอย่างเย่อะยิงแท้จริงท่านจะแยกแผ่นดินก็ไม่ได้และจะไม่บรรลุความสูงถึงภูเขาก็ไม่ได้เหมือนกัน คุณจะสูงขนาดไหนไม่มีทางเลยโอ้โหเห็นอย่างอัลลอฮ์สอนฉะนั้นมารยาทเร็วๆอย่างนี้ไม่มีใครรู้นี่มาเรื่องในใจเราทั้งหมดใช่หรือไม่ใช่เรื่องในใจเดินออกจาก บ, บ้านน่ะรู้เลยเนี่ยตะกะบด้วเยอะหยิงคนที่ตะกะบดไม่เยอะหยิงไม่ตะกะบดจะอ่านดุอาก่อนใช่ไหมบิสมิลลาฮิรัรดะอ์มิลลอหนี่สอนให้ให้เลขหมดเลยนะ อัลลอฮ์ดูแลฉันด้วยขับรถไปไม่รู้จะถูกรถบี้หรือเปล่าอัลลอฮ์ดูแลฉันหน่อย <S <S นี่สอนให้ยีย่ยยิงด้วยว่าสอนสอนให้สอนให้ตัวเลขสอนให้ใจเลขหมดเลยอ้าวจะเข้ามัสยิดยาลอัลลอฮุมักตฮลีอับบาบารอฮามติกเปิดประตูรอมห์ให้ฉันหน่อยจะออกจากมัสยิดอัลลอฮ์อินนีอัสอลุกามินนี่สอนให้เล็กหมดเลยนะไม่ได้สอนให้ตะกะรบูดเยี่ยยิงตรงองนะครับ อัต่อมาเขาอธิบายต่อไปอีกนะครับวลาดำซีฟิลอาร์ดิมาโราฮาเนี่ยอย่าเดินบนหน้าแผ่นดินอย่างเย่อหยิงเขาอธิบายเขาว่าเย่อหยิงเนี่ยหมายความว่านะชัดดาตุลฟารดีใจอย่างเลิศเลิศแล้วก็อะไรเนาะภูมิใจแบาปเลิศเลิศเนีเ่ยอย่าอย่าทำอุลละฮ์อธิบายบอกว่า คำนี่ฟุกฟุกก็ฮะอธิบายไปะวะ่าคำว่ามาราฮานี่ยนะแปลว่าวอารอกส์การเต้นรำดันซิงวัลโลอฮฺอุลามะการเต้นรำเนี่ยดันซิกับผู้หญิงที่มาเต้นกันไปเต้นกันมานั่นละแฮปปี้สุดๆในในในชีวิตเดินแฮปเต้นรำอยู่กลางฟลอเนี่ยแฮปปี้มั้ยอหมอร่อยจริงๆจริงเป็นเมียคนอื่นด้วยเนี่ยนะอู้ย อย่าอินเดียก็เปิดเปิดทองอ่ะปิดสาารีใช่ไหมแล้วเอามือจับทองเขาเนี่ยท่านจะซีนาชัดๆเลยนั่นน่ะนั่นแหะแฮปปี้ในชีวิตมีความสุขทุกชดคุณอารยานีทาวาด้วยกับ <S <S ว่าาตามชีฟิลอาดิมาราหาย่าเต้นราเพื่อปกป้องอย่างเงี้ยกันอย่าเต้นรนนนํารกับผู้หญิงเพราะการเต้นรำนั้นเป็นไรนะเป็นชายการชาชีวิตที่มีความสุขแบบสุดๆจําจได้ไหมที่ประเทศตุรกีเมือ่อ 10ปีที่แล้วเนี่ยกำลังเต้นรำอยู่ใช่ลนะ่ะบนฟลอร์เนี่ยเอาฉีกุรานโยนตายหมดเลยสามพันคนเนี่ยอัลลอฮ์ล่มา่เหยียบกุรานเต้นเหยียบกุราน ก, นกับกุรานมีอะไรอัลลอฮ์มีอะไรนี่ข่าวเงียบออกมานะแต่ว่าโผล่ออกมาแล้วสามสี่พันคน็นตางหาน ร, ระดับใหญ่ๆ่บิ๊กบกของอเมริกาของตุรกีด้วยก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็น เอาอิสลามมาใช้อัลล์ลงโทษมาแล้วท่านเวลาตัมชีฟิลอัลดีมาฮะย่าเดินบนหน้าแผ่นดินนี้ในท่าทางที่เย่อหยิ่งจองหองรวมไปถึงการเต้นรำไม่อนุญาตในเต้นรำโดยอาศัยอัลกุรอานขออธิบายตัวสาหระนะอิสตัดัลลอุลามะบิฮาดฮิลอายะอัลาะัมบิรอกซ์อุลามะได้นำอกอานนี้มาอธิบายว่าอัลลอ์อุลามะเนี่ยตัมนิเรื่องการ เต้นรำอารักซุแดนซ์ก็วกันลอิหมามอบุลวฟอิบนอิลอันนะยูรอซ้าไ ม, ม่ให้มุสลิมเต้นรำวันรอกซุอัชาุลฟรราร์การเต้นรำนั้นเป็นความสุขที่มีความสุขมากที่สุดวัลบปตะวสบายอารมณ์ทาที่นาเพลินน่ะนะนี่ะดิสไอจากตัสตุดีนะครับพี่น้องอ่ะพี่น้องไม่จบ อายาศูนท่านอธิบายไม่จบเอาแค่นี้ก่อนนะครับสรุป ส, สั้นๆเนี่ยนะครับสุระ อ, อิสรเนี่ยพูดเรื่องเมีรอดก็จริงแต่มาพูดเรื่องใต้ดินที่ส่วนใหญ่พูดถึงบนดินเนี่ยเยอะมากที่สุดต้องการจะปรับปรุงอักษรากของของเราเองเนี่ยให้มีอักษรากที่เดินตามอัลกรุรอานนี่ถ้าพวกเราเข้าใจกรุรอานนะเดินตามกรุรอานนะคนที่เคยเต้นรำมาต้องต่อ б าตัวแล้วผมเคยเต้นมาครั้งหนึ่งในชีวิต ไปเต้นในอินเดียนูนนะตอนนั้นยังยังไม่รู้อ Allah อากูว่า astaghfirullah ขอประกาศ a า t a า h f i r u l l a h อ่านเมื่อคืนนี่ใจเสียเลยเราเรียกว่าอ Allah อนุญาตไม่อนุญาตนะแดนซิ่งเต้นรำและไอ้เต้นสูงกระดึกกระดึกกนี่นะเขาบอกเป็นคนชาวนรกฝึกเต้นไว้ก่อนเพราะนายนรกโดนกระโดดอย่างนี้ตลอดเพราะมันร้อนอ่ะ ข้างบนก็ร้อนข้างล่างก็ร้อนต้องกระโดดกระโดดกระโดดกระโดดสับสุภานะกลลอฮมบัมดยลอิลอันตะอัสตะกุกะวะตูบุลัยอัสลามุอะลัยกุมราะมตุลลอฮบรกฮ